วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบหกเสงหาคมพุทธศักราชสอง5ันห้าร้ยหกสิบห้าเป็นวันพระวันธรรมสวรรวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่พุทธศาทุชนพุทธบริษัท ผู้มีจิตไฝ่ธรรมได้หยุดพักภารกิจการหาทรัพย์ภายนอกเพื่อที่จะได้เอาเวลามาหาทรัพย์ภายในกันเพราะทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์ที่ดีกว่าทรัพย์ภายนอกยั่งยืนกว่า ถาวรกว่ามั่นคงกว่าให้ความสุขมากกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ชั่วคราวอยู่ไปคู่กับร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปทรัพย์ภายนอกก็หมดสภาพไปไม่สามารถเอาทรัพย์ภายนอก ติดตัวไปกับใจของเราได้แต่ทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์ที่ไม่สิ้นสุดไม่หมดสภาพไปกับความตายของร่างกายจะไปกับใจของเราทรัพย์ภายในนี้เป็นเหมือนอาหารตามสั่งเราสามารถสั่งอาหารต่างๆได้ สั่งซับชนิดต่างๆได้เหมือนกับเวลาที่เราไปร้านอาหารตามสั่งเราอยากจะรับประทานอาหารชนิดไหนเราก็สั่งมารับประทานได้ส่วนซับภายนอกนี้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศบางทีเราก็สั่งได้บางทีเราก็สั่งไม่ได้ เช่นวันนี้สั่งให้ไม่ฝนไม่ให้ตกก็สั่งไม่ได้เพราะฝนจะตกทรัพย์ภายนอกบางทีเราสั่งให้อยู่กับเราบางทีมันก็ไม่อยู่กับเราบางทีสั่งให้มันมาเพิ่มมันก็ไม่มาเพิ่มบางทีสั่งให้มันไม่ให้ลดหายไปน้อยลงไปมันกลับลดน้อยลงไปได้ นี่คือลักษณะของทรัพย์ภายนอกมันจึงทําให้ใจไม่ค่อยมีความสุขกับทรัพย์ภายนอกเท่าไหร่เพราะมันเป็นของไม่แน่นอนนั่นเองแล้วก็เป็นของที่เราสั่งไม่ได้เสมอไปบางทีสั่งก็ได้บางทีสั่งแล้วไม่ได้ก็มีเวลาไม่ได้ตามความต้องการ ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจตามมาแต่ทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์ที่เราสั่งได้ถ้าเรามีรายการอาหารรายการของทรัพย์ต่างๆเหมือนเวลาเราไปร้านอาหารเขามีเมนูมีรายการอาหารมาให้เราดู ให้เราเลือกได้ว่าเราต้องการอาหารอะไรจาการ้านนี้เขาจะมีจดเป็นรายการรายชื่อเราเพียงแต่บอกผู้ที่มารับคําสั่งพอสั่งแล้วเขาก็จะไปดําเนินกิจกิจการทํำอาหารที่เราต้องการมาให้เรารับประทานได้ ทรัพย์ภายในก็เช่นเดียวกันทรัพย์ภายในนี้ก็มีรายการอาหารรายการของทรัพย์ต่างๆที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการทรัพย์แบบไหนรายการของทรัพย์ต่างๆของทรัพย์ภายในนี้อยู่ที่พระพุทธศาสนานเองอยู่ที่พระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้ว่าทรั <c oughs> ์ภายในนี้มีอะไรบ้างแล้วถ้าเราต้องการทรั์ภายในเราก็สามารถสั่งได้ตามความต้องการของเราทรับภายในตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ <c oughs> ก็มีเริ่มตั้งแต่ ระดับขั้นต่ำที่สุดก็คือมนุษย์เยทรัพย์คือการได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกภพทุกชาติหลังจากที่ตายไปแล้วก็ถ้าต้องการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็กลับมาได้เลยไม่ต้องไปเกิดภพอื่นถ้าเราสามารถทำตามคําสั่งที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ให้ได้ หรือถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านั้นเราก็ไปได้ทรัพย์ที่สูงกว่ามนุษยทรัพย์ก็คือเทวทรัพย์คือการได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วสูงกว่าเทวทรัพย์ก็มีพรหมทรัพย์คือการได้ไปเกิดเป็นพรหมและสูงกว่าพรหมทรัพย์ก็มีอริยทรัพย์อริยทรัพย์ก็คือ การได้ไปเกิดเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆซึ่งพระอริยทรัพย์นี้ก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือโสดาปติทรัพย์ ส, สกิดาคามีทรัพอนาคามีทรัพย์และอรหัตตรัพย์ถ้าได้อรหัตทรัพย์ก็จะได้นิพานทรัพย์ ด้วยเป็นทรัพย์ที่สูงสุดทรัพย์ที่ให้ความสุขมากที่สุดและทรัพย์ที่ถาวรที่สุดไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นนี่คือทรัพย์ต่างๆที่พระพุทธศาสนาได้มีการสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนเลือกหาตามความต้องการได้ ถ้าต้องการที่จะเกิดเป็นมนุษย์หลังจากที่ตายไปจากโลกนี้แล้วก็ต้องมีการกระทาตามที่จะตามคำสั่งคำสั่งที่จะทำให้ใจของเรานี้ได้มนุษย์ั้งทรัพย์หลังจากที่ร่างกายของเราอันนี้ตายไปแล้วโดยที่ไม่ต้องไป เกิดในสวรรค์หรือไปเกิดในอบายก็คือให้เรารักษาศีลไว้ให้ดีอย่า ก, กระทำบาปทั้งปวงลดการกระทำบาปต่างๆเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาและการเสพอบายามุข อื่นๆเช่นเล่นการพนันเ <c oughs> ที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆความเกียดต้านและการคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้สูญเสียมนุษย์ย่าซับไปนั่นเองตอานี้เราเป็นมนุษย์กันเรามีร่างกายของมนุษย์ ร่าใจของเราจะคงสภาพของความเป็นมนุษย์ไว้ได้ก็ต้องไม่ให้มันไปหลงต่ำการที่จะทำให้ใจลงต่ำไปสู่ภพของอบายคือภพของเดรัจฉานของเปรตของอสูรกายและของนรกนี้ เกิดจากการกระทำบาปและการเสพอ บ, บายามุกต่างๆนี่เอถ้าเราไม่ต้องการที่จะตายไปแล้วต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างหรือไปนรกบ้างเราต้องไม่กระทำบาปและไม่เสพอ บ, บายามุกต่างๆ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวตามสถานบันเทิงไม่เกียดคร้านและไม่คบคนที่ชอบอบา ย, ยมุขเป็นมิตรเพราะคนที่ชอบอบา ย, ยมุขถ้าเราครบค้าสมาคมกับเขาเขาก็จะชวนเราไปทำในสิ่งที่เขาชอบ ถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราเดื่มสุราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวถ้าเขาชอบความเกียดข้านเขาก็จะชอบเขาก็จะชวนให้เราไม่ไปทํางานนี่คืออบายามุก ที่ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากอบายามุขนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายและเมื่อมีรายจ่ายไม่มีรายได้ทรัพย์ที่มีอยู่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดไปหรือไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็จะเมื่อไม่ทางานทาการ<ม>เพราะความเกลียดค้าน ก็จะไปหาทรัพย์โดยวิธีมิชอบนั่นเองไปลักทรัพย์บ้างไปช่อกโกงบ้างไปหลอกลวงบ้างซึ่งเราคงจะได้ยินข่าวๆอยู่เรื่อยๆของผู้ที่หาเงินโดยวิธีมิชอบด้วยการหลอกลวงชวนไปลงทุนแบบต่างๆแล้วก็เชิดเงินหนีไป เอาเงินเล็กๆน้อยๆอยเอาเงินรางวัลเล็กๆน้อยๆอยมาล่อใจเป็นเหมือนเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดพอปลาคุบเบ็ดปลาก็ถูกกินไปทั้งตัวหลอกให้เอาเงินมาลงทุนแล้วก็เอาเงินที่เราลงทุนนี้มามาปันผลให้กับเราว่าเป็นผลกำไรแท้จริงก็เป็นเงินของเราเนี่แต่เราไม่รู้ว่าเขาโกหกหลอกลวงเรา เขาหลอกว่าเอาเงินของเราไปลงทุนได้ไดผลกำไรกลับมาอย่างมากมายความจริงก็เอาเงินของเราเนี่ย <c oughs> เขาเนี่ยเป็นคนลงทุนเอาเงินขอ ง, ของเราเนี่ยมาลงทุนกับเขาแล้วเขาก็เอาเงินลงทุนของเราเนี่มาปันผลให้กับเราเราก็เลยดีใจโอ้เราได้ปันผลเยอะแยะที่ไหนได้มันก็เงินของเราดีๆนี่อยู่ ด, ดีๆก็เอาเงินก้อนใหญ่ไปให้เขา แล้วก็เอาเงินก้อนเล็กกลับมาแล้วก็ดีใจให้เขาไปร้านหนึ่งเขาให้เรากลับมาแสนหนึ่งกลับดีใจโอ้เราได้กาไรหารู้ไ้ยว่าได้เท่านั้นแหะเดี๋ยเดือนอีกครั้งสองครั้งเขาก็เลิกแล้วเขาก็หนีไปแล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศไปไหนแล้วกบดานไปแล้วเ น, นี่ยพวกคือพวกที่พวกนี้เป็นพวกที่ชอบเสพ บ, บายามุข ชอบไม่ชอบทำงานชอบหาเงินแบบง่ายๆเร็วๆแล้วก็ใช้เงินไปกับการเสพอบายามุกต่างๆเขาก็เลยเอาพวกเรามาเป็นเหยื่อพวกเรามันซื้อแล้วก็เซอร์ <c oughs> แล้วก็โลภตามคำโบราณที่เขาบอกว่าโลภมากมักจะลากหาย <c oughs> อย่าไปโลภนะ ต้องดูภาพสภาพความเป็นจริงตอนนี้ดอกบี้มันเท่าไหร่มันก็เท่านั้นแหละมันจะไปมากไปกว่า น, นั้นไม่ได้หรอกอาจจะได้บ้างแต่ต้องเสี่ยงเสี่ยงอาจจะหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวเราอยากจะยอมเสี่ยงอย่างนั้นหรือเราเแบบปลอดภัยไม่ดีกว่าเลยนี่คือ <c oughs> เรื่องของพวกที่ไม่ชอบทำงานพวกเกลียดคา้านชอบหาเงินโดยวิธีทุจริต ช่อโกงหลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆนี่ถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายามุกไม่ช้าก็เร็วเราก็อาจจะต้องไปทําแบบนี้ก็ได้เพราะเงินทองที่เรามีใช้อยู่นี้จะไม่พอใช้เพราะบายามุกนี้มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับพระเจ้าถึงห้ามไม่ให้ไปเสพ บ, บายามุก เพื่อป้องกันไม่ให้เราไปกระทาบาปด้วยการชอบโกงลักทรัพย์ของผู้อื่นหลอกลวงผู้อื่นอันนี้คือถ้าเราไม่ทำบาปใจของเราก็ยังจะเป็นมนุษย์อยู่ต่อไปใจเรานี้จะเปลี่ยนจากมนุษย์ลงไปเป็นเบลชานเป็นเปรตเป็นนสูรกายหรือเป็นนรกนี้ก็เพราะเราทำบา ทำบาปด้วยวิธีการต่างๆด้วยเหตุต่างๆถ้าทําบาปด้วยความหลง<ม>ทําบาปโดยคิดว่าไม่ไม่เป็นไร<ม>จำเป็นเช่นเราอด อ, อดอาหารอาหารไม่พอกินไม่มีเงินซื้ออาหารเราก็ไปรับขโมยอาหารมารับประทานเพื่ อ, อยังชีพ<ม>อย่างนี้เรียกว่าทําบาปโดยความหลง โดยไม่รู้ว่าแม้กระทั่งการยังชีพด้วยการกระทำบาปก็เป็นบาปแล้วก็จะทำให้จิตนี้เสื่อมจากความเป็นมนุษย์ลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานการทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้นี้ก็จะทำให้ใจที่เป็นมนุษย์นี้กลายเป็นใจของสัตว์เดรัจฉานไปสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่รู้ว่าการยังชีพด้วยการทำบาปนี้ เป็นของที่ไม่ถูกต้องทำให้เป็นเดรัจฉานกันศาสต์เดรัจฉานที่เป็นเดรัจฉานก็เพราะเขายังชีพด้วยการทำบาป น, นั่นเองทำยังชีพด้วยการฆ่าชีวิตของผู้อื่นหรือด้วยการลักของของผู้อื่นมายัางชีพถ้าเราเราเกิดตกอับไม่มีเงิน ที่พอที่จะเลี้ยงตัวเราได้เราก็า จ, จะต้องไปลักขโมยบ้างบางทีก็ไปหลอกลวงไปยืมเงินคนนั่นคนนี้แต่รู้ว่ายืมแล้วก็ไม่มีที่เงินที่จะใช้เขาหลอกลวงโกหกหรือบางครั้งก็ถ้าไปปนไปที่ก็อา จ, จะมีการต่อสู้กันก็อาจจะถึงกับการฆ่ากันได้ อันนี้เนื่องจากการที่เราตกอับเหตุที่เราตกอับนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการไปเสพอบายามุขต่างๆนั่นเอถ้าเราไม่เสพอบายามุขเรารู้จักการ อ, อดออมเรียกว่ามีความประหยัดมัธยัตมีความมักน้อยสันโดษ<ม>การที่เราจะไปทําบาปนี้มันก็จะเป็นไปได้ยาก แต่ก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเราอยู่ในภาวะที่ขับแค้นจริงๆซึ่งบังคับบีบบังคับให้เราทำบาปในการที่จะทำให้เราอยู่รอดบางครั้งเราก็อาจจะทำบาปบ้างถ้าเราคิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะรักษาสิ่ไปได้ตลอดเวลาสิ่งที่เราสามารถ ยับยั้งการเสื่อมหรือยับยั้งการสูญเสียทรัพย์ของมนุษย์ได้ก็คือการทำบุญขอให้เราทำบุญไว้เพื่อเอาบุญนี้มาต้านกระแสะของของบาปถ้าเรามีกระแสะบุญมากกว่ากระแสะบาปถึงแม้เราอาจจะต้องทำบาปบ้างบางครัง้งบางคราว แต่ถ้าเรามีบุญเราทำบุญอยู่เรื่อยๆแล้วบุญนี้มีพลังมีกำลังมากกว่าบาปเราก็ยังไม่สูญการเป็นมนุษย์ของเราไปถ้าเวลาเราตายไปถ้ากระแสของบุญกับกระแสของบาปนี่มีกำลังเท่ากันเราก็ยังจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้ แต่ถ้าเราไม่ทำบุญเลยเราคิดว่าเราไม่ทำบาปก็พอแต่เราไม่รู้ว่าโอกาสภายภาคหน้านี้เราอาจจะตกอยู่ในภาวะที่แร้นแค้นหรืออาจจะตกอยู่ในสภาพที่ถูกบีบคั้นให้เราต้องทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง น, นั่นแหละพอเราไปทำบาปแล้วบาปมันก็จะมีมากกว่าบุญเพราะเราบุญที่เรา เพราะเราไม่ได้ทำบุญเราไม่ได้เติมบุญบุญเก่าก็มีกำลังไม่พอที่จะต้านบาปที่เราทำเพิ่มมาอยู่เรื่อยๆดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจว่าเราจะรักษามนุษย์ศยสมบัตินี้เอาไว้ได้ก็คือเราต้องพยายามทำบุญด้วยรักษาศี่ห้าไป ซึ่งตามปกติเราก็น่าจะรักษาได้เพราะถ้าเราอยู่ในภาวะปกตินี้ก็ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องไปทำบาป ก, กันถ้าเรามีทรัพย์พอที่จะเลี้ยงชีพได้เราก็ไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอามาทำเป็นอาหารหรือไปรักอาหารของผู้อื่นหรือรักทรัพย์เพื่อที่จะไปซื้ออาหารมารับประทานเป็นต้น แต่เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้านี้มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ผันแปรไปก็อยู่ในภาวะแรงแค้นอาจจะอยู่ในภาวะาสงครามหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งอาจจะทําให้เราไม่มีทรัพย์อาจจะต้องทําให้เราต้องอาจจะไปหาอาหารหาปัจจัยสี่ มาด้วยการกระทำบาปก็ได้ดังนั้นเราก็ไม่ควรประมาทควรมีสำรองอสำรองบุญเอาไว้ก่อนตอนนี้ถ้าเราพอทำบุญได้มากน้อยเท่าไหร่ก็พยายามทำไปถึงแม้ว่าเราอย่างไม่ต้องอาศัยบุญในตอนนี้ก็ตามแต่เราไม่รู้ว่าในอนาคต น, นี้เราจะถูก เหตุการบังคับให้เราไปทําบาปกันหรือไม่ <Yeah. S 1> ถ้าถูกบังคับแต่ถ้าเราได้สะสมบุญเอาไว้มาก mm hmm. ก็อาจจะต้านกําลังของบาปนี้ mm hmm. ไม่ให้ดึงเราไปเกิดในอบายได้ mm hmm. ตายไปเราก็ยังจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้ mm hmm. ถ้าบุญกับบาปในใจของเรานี้ มีปริมาณพอๆกันมีเท่ากันห้าสิบห้าสิบมีบุญห้าสิบมีบาห้าสิบนี่ก็จะไม่ต้องไปเป็นเดชานหรือเป็นต้นและหลายก็ไม่ได้ไปเป็นเทพเช่นเดียวกันถ้าใจในใจเรามีบุญกับบาห้าสิบห้าสิบนี้ใจของเราจะเป็นมนุษย์ พอเราตายจากโลกนี้ไปเราก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่เลยอันนี้คือเมนูรายการทรั์ที่เราสั่งได้ถ้าเราอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆเราก็ต้องพยายามละการกระทำบาปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเสริมความปลอดภัยด้วยการทำบุญให้มากเท่าที่เราจะทำได้ด้วยก็จะดี ก็เป็นเหมือนซื้อประกันถ้าเกิดเวลาเราตายไปสมมติว่าเราทำบาปมากกว่าทำบุญเอ๊นเราบุญได้หกสบบาปได้4ี่สิบนี่เราก็จะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ทันทีแต่เราจะไปได้เป็นเทวดาได้เทวซทัพ์เพราะถ้าในใจเหล่านี้ถ้ามีบุญมากกว่าบาปนี้มันก็จะทำให้ ใจของเรานี้ได้เทวทรัพย์เราก็ไปอยู่ในภพของเทพจนกว่าบุญที่เราได้สะสมมาไว้นั้นลดลงมาเหลือเท่ากับจำนวนของบาป ค, คือจากห0สิบพอเราไปอยู่ในสวรรค์บุญนี้ก็จะค่อยๆ อ, อ่อนกำลังลงลดน้อยลงมาจากห0สิเดี๋ยวก็จะลดลงมาเหลือห้าสิบ ห้าสิบแล้วก็เหลือสี่สิบพอสี่สิบก็เท่ากับบาปที่เรามีอยู่พอบาปสี่สิบบุญสี่สิบก็จะมาเป็นมนุษย์ใหม่ยังไม่ตกไปอาบายแล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะทำตามที่เราเคยทำมาในอดีตมันจะเป็นนิสัยต่อไปถ้าเราเคยรักษาศีลไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเป็นนิสัยที่เราเรียกว่านิจศีล คนที่รักษานิจฉินนี่ไม่ต้องมาสมาทานศีลทุกวันพระเพราะเขาจะสมาทานหนเดียวแล้วก็จะรักษาไปเป็นนิสัยไปไม่ต้องมาขอศีลอยู่เรื่อยๆเขาจะรักษาไปทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันพระยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์บีบบังคับให้เขาต้องไปทําบาปเท่านั้นอันนี้คือการมี การถ้าต้องการมนุษย์สิยาทย์ก็คือต้องไม่ทำบาปหรือทำให้น้อยที่สุดถ้าถ้ายังจำเป็นอยู่แล้วก็าพยายามใช้บุญสร้างบุญมาเพื่อมาคอยต้านกาลังของบาปที่จะดึงให้เราตกลงไปในบายกันเแต่ถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปถ้าใจเราเริ่มมีบุญมากกว่าบาป เช่นหกสบเป็นบุญสี่สิบเป็นบาปนี้เราก็จะได้เทวซับแเราจะได้สูงหรือมากหรืออยู่นานไม่นานก็อยู่ที่การทําบุญของเราว่าเราทําบุญมากทําบุญน้อยถ้าเราทําบุญมากเช่นเราจะมีะมีมีบุญแ80ดสบมีบาปแค่ยี่สบอย่างนี้เราก็จะไปอยู่ในสวรรค์นานหน่อย อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงยิ่งทำบุญมากก็จะได้สวรรค์ที่สูงขึ้นคือมีความสุขมากขึ้นอย่างหนึ่งสวรรค์นี้ท่านแสดงไว้วมีหกชั้นด้วยกันชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นอะไรต่างๆอนันนี้มีความสุขมากน้อยต่างกันมีอายุยืนยาวนานต่างกันเนื่องจากกำลังของบุญที่เราทำนี้ มีมากน้อยต่างกันนั่นเองดีคือทรัพย์ชนิดที่สองถ้าเราบาดธนาที่อยากจะได้เทวทรัพย์การเป็นเทวดานี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นนักท่องเที่ยวนี่เองพวกเรานี้ก็ชอบท่องเที่ยวกันอยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปท่องเที่ยวที่ประเทศนั้นประเทศนี้ไปดูไปชมไปฟัง ไปดื่มไปรับประทานอาหารแปลกๆของประเทศต่างๆแล้วก็มีความเพลิดเพลินมีความสนุกสนานสวรรค์ชั้นเทพก็เป็นแบบนี้เป็นสวรรค์เป็นโลกทิพย์เป็นโลกที่เราไปแล้วเหมือนกับเราได้ไปท่องเที่ยวตามตามประเทศต่างๆมีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ความสนุกสนานไม่ต้องทำงานทำมาหากิน เพราะเรามีเงินไปเที่ยวกันนั่นเองพบของมนุษย์นี่เป็นพบที่เราจะต้องทำงานกันเหมือนกับเวลาที่เรากลับมาบ้านมาทำงานเราทำงานเพื่อเก็บเงินเก็บทองไว้พอเรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราก็เอาไปเที่ยวต่างประเทศกันเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ต้องทำงานเพราะเรามีเงินเที่ยวมีเงินใช้ แต่พอเงินหมดเราก็ต้องกลับบ้านกันกลับมาทำงานใหม่เช่นเดียวกับการไปเป็นเทพก็เช่นเดียวกันเราทำบุญตอนนี้เป็นการทำงานอตอนที่เราเป็นมนุษย์นี้เป็นภพที่ทำงานะจะสร้างบาสร้างเงินทองก็ได้สร้างนี่ศินก็ได้ถ้าทำบาปก็เป็นการสร้างนี่สินถ้าตายไปก็ต้องไปใช้นี่สินในอบาย แต่ถ้าทำบุญเราก็จะได้เอาบุญที่เราทำกันนี้เป็นเงินไว้ไปใช้ในโลกทิพย์ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์กันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสั่งได้ถ้าเราอยากจะได้เทวทรัพย์หลังจากที่เราตายไปแล้วเราไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์กันเป็นเทวดากันเราก็ต้องทำบุญให้มากแล้วก็รักษาศีลให้มาก อย่าทำบาปพยายามรักษาศีลให้เป็นนิจศีลให้ได้รักษาทุกวันทุกเวลายกเว้นในกรณีที่มันสุดวิสัยคือถูกสภาพเหตุการณ์อะไรต่างๆบีบคั้นขึ้นมาอาจจะทำให้ลูกแก่โทสะลูกแก่โมหะลูกกับลูกลกแก่โลภะขึ้นมาก็อาจจะไม่สามารถยับยั้งการกระทำบาปได้ในช่วงนั้น แต่ก็อาจจะเป็นแค่ระยะสั้นๆพอได้สติขึ้นมาก็รีบกลับมาประครับประคองจิตใจไม่ให้ถลําต่อไปอันนี้ถ้าเราถือศีลแบบนี้ได้แล้วก็ทาบุญตามปกติของเรามีรายได้มามากน้อยเพียงายก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับการทาบุญศาสนาอื่นนี่บางทีเขาสอนให้แบ่งไว้ประมาณร้อยละสิบ ของรายได้ที่เราได้มาที่เราได้เงินเดือนหมื่นหนึ่งก็แบ่งไว้พันหนึ่งเอาไปทําบุญการทําบุญนี้ไม่เป็นการสูญเปล่าไม่เหมือนกับการเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี่เป็นการสูญเปล่าใช้แล้วก็หมดไปเลยไม่มีไม่มีผลอะไรต่อจิตใจแต่การแบ่งเงินมาทําบุญนี้มันจะ ทำให้จิตใจเรามีความสุขมีบุญให้ความสุขกับเราแล้วบุญนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะดึงให้เราไปท่องเที่ยวนในโลกทิพย์ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าบุญของเรานี้มีมากกว่าบาปดังนั้นถ้าเราทำบุญเป็นนิสัยรักษาศีลเป็นนิสัยนี้ก็จะรับประกันได้ว่าตายไปนี้จะต้องไปสวรรค์อย่างแน่นอน ยกเว้นว่าถ้าเกิดไปทำบาปที่ร้ายแรงจริงๆซึ่งอาจจะยากตก่อการเกิดขึ้นแต่ก็อาจจะไม่สุดวิสัยก็ได้เช่นการกระทำที่เรียกว่าอนันตริยกรรมการทำบาปที่ร้ายแรงที่สุดมีอยู่5ข้อด้วยกันคือ 1. การฆ่าบิดา 2. การฆ่ามารดา 3. การฆ่าพ่อหลานสการทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและ5 ทำให้สงเกิดความแตกแยกสามัคคีกันอันนี้ถือว่าเป็นระหูโทษเป็นกรรมที่หนักที่สุดที่จะมีแรงมากกว่าบุญที่เราได้สะสมกันเอาไว้ <Yeah. S 2> ก็อาจจะทำให้เราต้องไปรับโทษหลังจากที่เราตายไปแล้วในนรกได้ <Yeah. S 2> แต่อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆโดยเฉพาะถ้าเรามีธรรมะคอยสอนใจเตือนใจ ให้เราล้ำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆเราก็จะมีทีรีโอตปะมีความลายมีความกลัวไม่กล้าทำบาป ก, กันพรู้ว่าจะเป็นการลงโทษตัวเองอย่างร้ายแรงที่สุด ถ้าเรามันเราเลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะจะมีแต่ความรักมีแต่ความเคารพเราจะไม่มีความเกลียดชังบิดามารดาของเราถึงแม้ว่าบางครัง้งบางคราวท่านอาจจะพูดหรือจะทำอะไรให้เราไม่พอใจหรือเสียใจแต่เนื่องจากการเราเลิกถึงความดีของท่านอยู่เรื่อยๆนี้มันจะทำให้เรานี้สามารถระ ง, งับความโกรธความเกลียดชัง ผู้มีพระคุณของเราได้แต่ถ้าเราไม่ลำลึกอยู่เรื่อยๆนี้เราอาจจะเืมบุญคุณของผู้มีพระคุณของเราได้แล้วพอท่านผู้มีพระคุณทำอะไรหรือพูดอะไรทำให้เราไม่พอใจเราอาจจะไปทำร้ายท่านก็ได้โดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นธรรมเนียมของชาวพุทธเหล่านี้จึงสอนให้พวกเรานี้ให้หมันระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดา ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้อยู่เรื่อยๆด้วยการกราบเช้ากราบเย็นกราบพระตอนเช้าแล้วก็กราบพ่อแม่ตอนก่อนนอนก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบพ่อกราบแม่แล้วไม่ใช่กราบเฉยๆการกราบนี้หมายถึงให้เราลำดักว่าบุคคลที่เรากราบนี้มีพระคุณอย่างยิ่งต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเป็นบุคคลที่เรา เราล่วงละเมิดไม่ได้ทำร้ายไม่ได้เกลียดชังไม่ได้เป็นอันขายนี่คือความหมายของการกราบพระกราบเพื่อให้เราได้ลําลึกให้เรารู้ถึงสถานภาพของท่านเหล่านี้ว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณแก่เราอย่างมากเป็นบุคคลที่เราไม่ควรที่จะไปลบหลู่ดูหมิน่นเป็นบุคคลที่เราไม่ควรที่จะไป ไปดูถูกดูแคลนไปกลาม่านเป็นอันขาดถ้าเราล้ำลึอกอย่างนี้อยู่ที่เรอเราก็จะไม่ลืมเราก็จะมีความกตัญญูกะตะเวทีความกตัญญูแปลว่าการน้ำลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณมีมีความเป็นผู้รู้คุณเรียกว่ากตัญญูกะตะเวทีก็เป็นผู้ที่ตอบแทนบุญคุณ การตอบแทนบุญคุณเราก็จะทำแต่สิ่งที่ดีให้กับบุคคลที่มีพระคุณกับเราทำให้บุคคลมีความสุขจากการกระทำของเราเราจะไม่กล้ากระทำอะไรที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความเสียหายต่อ บ, บุคคลที่มีพระคุณกับเราอันนี้เป็นวิธีป้องกันไม่ให้เราไปกระทำอนันตาริยากรรมกันให้เราเลิกถึงพระคุณของพ่ อ, พอของแม่ของพระ อ, อรหรันต์ ของพระพุทธเจ้าและของพระสงฆ์อย่าไปทําให้พระสงฆ์แตกแยกแตกสามะคีเพราะพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนที่พึ่งเป็นสถาบันที่เราสามารถยึดเดี่ยวเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้นั่นเองเราต้องพยายามรักษาพระสงฆ์ให้คงอยู่มั่นคงอยู่ในโลกนี้ไปนานๆนี่ คือสิ่งที่เราอาจจะล่วงลำ้ำถ้าเราไม่มีศาสนาถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คําสั่งคําสอนให้เราล้ำลึกถึงพระคุณของบุคคลสําคัญเหล่านี้เราก็อาจจะได้อาจจะไปทําบาปโดยไม่รู้สึกตัว ท, ท, ทั้งๆที่ซึ่งเราคงยังเคยได้ยินได้ฟังข่าวกันอยู่เดี๋ยวนี้สมัยนี้มาตราการฆ่าพ่อฆ่าแม่นี้มีมากขึ้นอยู่เรื่อยๆ หรือการฆ่าลูกก็เหมือนกันการฆ่าลูกก็บาปเหมือนกันขาดความเมตตาบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เรารักแต่พอเราเกิดความโกรธขึ้นมามากๆนี่อาจจะทําให้เรานี้ไม่สามารถยับยั้งความคิดที่ไม่ดีได้แล้วก็ไปทําบาปที่อันที่ร้ายแรงยุคนี้เป็นยุคของความมืดบ่อด เพคนเริ่มห่างออกจากศาสนาไปเรื่อยๆคนที่ทําบาปเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่เข้าถึงศาสนาคําว่าเข้าถึงศาสนานี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าการเข้าวัดเพียงอย่างเดียวการเข้าวัดนี้อาจจะเข้าไม่ถึงศาสนาคือคําสอนก็ได้ถ้าไม่ศึกษาไม่ฟังเทศฟังธรรมกันเข้าวัดเพียงแต่ไปกราบพระขอพร หุดทูบเทียนสามดอกแล้วก็อธิษฐานขอให้ร่ำให้รวยขอให้เป็นใหญ่เป็นโตหรือขอให้อะไรได้อะไรตามความต้องการถ้าเข้าวัดแบบนี้ยังไม่ถือว่าเข้าถึงศาสนาเข้าถึงแค่เปลือกของศาสนาเข้าถึงถาวนวัลวัตถุของศาสนาแต่ไม่ได้เข้าถึงเนื้อของศาสนา เนื้อของศาสนาก็คือพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ถ้าเราได้ศึกษาเช่นวันนี้เรามาวาัดกันแล้วเราก็มาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างนี้เรียกว่าเราเข้าถึงเนื้อของศาสนาเราจะได้ยินเรื่องราวของความกตัญญูกะตะเวทีเรื่องราวของอนันตริยกรรม กรรมที่ไม่พึงกระทําอย่างโดยเด็ดขาดก็คืออันนั้นตะวิยกรรมนี้ไม่ฆ่าพ่อข่าแม่ฆ่าพระ อ, อาลัยทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดหรื อ, อยุยงให้สงเกิดความแตกแยกสามคัคคีและทำที่จะต้องล้ำลึกต้องมีอยู่ในใจเสมอก็คือความกตัญญูกะตาวทีความน้ำลึกถึงบุคคลของบุคคลที่มีพระคุณและตอบแทนบุญคุณ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ให้มีฮิเลโอตปะฮิเลคือความละอายในการกระทําบาปเพราะผู้ที่กระทําบาปนี้ไม่ได้เป็นบุคคลที่น่าชื่นชมยินดีเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจบุคคลที่ทําบาปนี้น่ารังเกียจเพราะไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นกับและตนเองนั่นเอง เป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ควรละอายไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรที่จะมาเชิดชูยกย่องเป็นสิ่งที่ควรจะประนามกันผู้ที่ทำบาทนี้ถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายไม่ได้ทำให้ตนวิเศษยังควรที่จะมีความละอายในการกระทาบาปก็จะไม่กล้าทำบาปแล้วก็ให้ระลึกถึง ผลที่จะตามมาจากการกระทำบาปว่าจะทำให้สูญเสียมนุษย์ศัพย์ความเป็นมนุษย์ไปและจะทำให้ต้องไปใช้นี่เวลาที่ตายไปแล้วจะต้องไปใช้นี่ในอบายขึ้นอยู่กับการกระทำบาปต่างๆว่าทำด้วยวิธีใดด้วยเหตุผลใดทำบาปด้วยความหลงก็จะไปใช้นี่ด้วยการไปเป็นเดรัจฉาน ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปใช้นี่ด้วยการไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปใช้นี่ด้วยการเป็นนสุรกายทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นก็จะไปใช้นี่ด้วยการไปตกนรกนี่คือโอตตปะคือกลัวผลของบาป ท, ที่จะตามมา จะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนามาสั่งสอนเราถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าทำบาปแล้วได้อะไรอาจจะคิดว่าทำบาปแล้วได้ดิบได้ดีก็มีสมัยนี้มีคาพูดอยู่เรื่อยๆว่าทำดีไม่ได้ดีทำาชื่อได้ดีมีถมไปอันนั้นเป็นเพราะว่าเขาไปมองผลที่อื่นไปเขาไม่ได้มองผลที่จิตใจ เราไปมองผลที่ราบยศเสริญสุขกันสมัยนี้คนเราต้องการราบยศเสริญสุขกันต้องการเงินทองต้องการตำแหน่งต้องการรางวัลต้องการความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไปทำบาปก็ได้เงินมาเยอะไปช่อกงไปลักทรัพย์ก็เอาเงินนี้มาซื้อต่างๆได้ซื้อตำแหน่งได้ซื้อรางวัลได้ ซื้อรูปเสียงกลินรดพลทพะต่างๆได้ก็เลยทำให้คนหลงผิดไปคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำชั่วนี้ได้ดีมีถมไปเพราะทาดีนี้อาจจะไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้เงินได้ทองมาได้มาก็า จ, จะได้น้อยไม่เหมือนกับการทำบาปก็เลยคนเลยนิยมทำบาปกันเพราะคิดว่าทำบาปแล้วกลับได้ดี ทำบุญไม่ได้ดีทำบาปได้ดีมีถมไปเป็นความคิดของคนสมัยนี้คนพวกนี้แสดงว่าเป็นคนที่ห่างจากศาสนาไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าผลบุญผลบาปนี้ไปเกิดที่ไหนกันไม่รู้ว่ามันเกิดที่จิตใจของผู้กระทําผู้กระทำจิตใจของผู้กระทํานี่แหละที่จะเป็นผู้รับผลของบุญของบาป ทำบาปก็นี่แหละอย่างที่อธิบายให้ฟังจะต้องได้ผลทางจิตใจคือจิตใจจะกลายเป็นเดรลจฉานเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รกายเป็นนรกไป ท, ทันทะีก็จะไม่มีความฮีรีโอตปะคนทำบาปสมัยนี้เลิ่นเชือนหน้าชูตาอยู่ได้ออกมาเพียงแต่อ้างว่าถูกกันแก้งงันนี้ก็หมดปัญหาไปแนละ้วฉันถูกเขากันแกล้ง จับฉันจะจับฉันเข้าคุกเข้าตารางลันไม่ได้ทำผิดอันนี้ก็ทั้งๆ ท, ที่ทำผิดก็ไม่มีใครไปรู้ได้เพราะว่าถึงแม้ศาลตัดสินว่าผิดก็ยังบอกว่าไม่ผิดอยู่นั่นเพราะก็บอกว่าศาลก็ถูกซื้อได้เหมือนกันก็เลยพวกนี้ก็เลยไม่ไม่อายบาปไม่มีความละอายไม่มีีิริอตตปะเพราะทำบาปแล้วมันก็ยังลอยนวลได้อย่ยัง เช่อหน้าชูตาได้อยู่อยู่อย่างปลอดภัยได้อยู่เพราะกฎหมายหรือกำลังของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปจับตัวมาลงโทษได้ น, นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทําให้โลกทุกวันนี้สับสนกันทาให้คิดว่าทาดีไม่ได้ดีเสียจแล้วทาบาปกับได้ดีมีเยอะแยะไปก็เลยไม่มีใครคิดอยากจะทําความดีกันมีแต่คิดอยากจะทําบาปกัน อันนี้เป็นเพราะไม่ได้มีเข้ามาศึกษาพระศาสนาหนึ่งไม่ได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าเป็นชาวพุทธก็เป็นพุทธที่เปือกเท่านั้นเองคือมาวัดก็เพื่อที่จะมากราพระไหว้พระหรืออาจจะถวายสังฆทานเท่าน่อยแล้วก็เพื่อจะได้ขอให้เจริญในลาบยศสรเสริญสุขให้มีอายุยืนยาวนานสุขภาพแข็งแรงอะไรต่างๆเท่านั้นเอง อันนี้ไม่ได้เข้าถึงาศาสนาถ้าเข้าถึงาศาสนา น, นี้ต้องเข้าถึงพระธรรมคำสั่งคำสอนต้องรู้ว่าอนันตาลียรรมเป็นอะไรต้องรู้ว่าความกตัญญูกตวเวทีนี้เป็นอะไรต้องรู้ว่าการคีร <c oughs> ีโอตปะมีไว้ทาไมอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษากันต้องได้ยินได้ฟังกันถึงจะเข้าใจเมื่อเราเข้าใจของการ ของผลที่จะเกิดขึ้นจากการทําบุญทําบาวว่าเราจะได้อะไรแล้วเราก็จะเข้าใจหลักธรรมต่างๆเหล่านี้ได้เราก็จะเข้าใจว่าการทําบุญนี้ไม่สูญเปล่าการทําบาปก็ไม่สูญเปล่ามีผลเหมือนกันผลผู้ที่รับผลก็เกิดจิตใจในขณะที่ทําบาปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ใจก็จะทุกข์ตายไปก็จะต้องไบรับผลบาปในอบาย ถ้าทำบุญใจก็จะมีความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่และเวลาตายไปก็จะไปรับผลบุญในสวรรค์ชั้นต่างๆหกชั้นด้วยกันนี่เป็นนะเป็นเหมือนทรัพย์ที่เราสั่งได้ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะรักษาความเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีก็ต้องอย่าทําบาปแล้วถ้าเราคิดว่าเราอาจจะพังเผอทําบาปบ้างก็ทําบุญเผื่อไว้บ้าง ทำบุญไว้กันกับกำลังของบาปไม่ให้มันมีกำลังมากกว่าบุญที่เรามีอยู่ถ้าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันเราตายไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีจะไม่ไปอบายจะไม่ไปสวรรค์แต่ถ้าเราอยากจะไปท่องเที่ยวเหมือนกับตอนนี้เราเป็นมนุษย์เราก็อยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการท่องเที่ยวในสวรรค์นี่มันมีความสุขมากกว่าการท่องเที่ยว ในโลกนี้เสียด้วยเสียด้วยซ้าไปเพราะการท่องเที่ยวในโลกนี้มันก็ยังต้องมีความเสี่ยงขึ้นเครื่องอาจจะตกก็ได้ไปเที่ยวอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปติดเชื้อไปอะไรต่างๆได้ไปแล้วอาจจะถูกเขาโกงถูกเขารักทรัพย์ของเราได้เที่ยวยังไม่ปลอดภัยเหมือนกับเที่ยวในโลกทิปเนี่เที่ยวในโลกทิปนี้มีแต่มีแต่เรื่องเที่ยวอย่างเดียว ไม่มีปัญหาอะไรต่างๆตามมาให้กังวลเลยอย่างนั้นถ้าอยากจะเที่ยวอดใจเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวในโลกนี้ไปเที่ยวในโลกทิพย์กันดีกว่าด้วยการเอาไปทำบุญเช่นจะคิดว่าไปเที่ยวต่างประเทศงดดีกว่าเอาวงนนี้ไปทำบุญดีกว่าทำที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทำกับวัดเสมอไปถ้าเราเห็นว่าวัดมีพอเพียงแล้วหลือว่าเฟือแล้วเอาไป ทำที่อก็ได้ทำที่โรงเรียนก็ได้ทำที่โรงพยาบาลก็ได้ทำที่สถานสงเคราะห์ต่างๆก็ได้เป็นการทำบุญเหมือนกันเป็นการซื้อสวรรค์ได้เหมือนกันแล้วเวลาเราตายไปเราจะได้ไปเที่ยวอยู่ในโลกทิพนานานแล้วก็อยู่ในโลกทิ่ที่มีชั้นสูงๆถ้าเราทำบุญได้มากอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่า อดการเที่ยวในโลกนี้แล้วเพื่อหวังไปเที่ยวหลังจากที่เราตายไปดีกว่าเราจะได้เที่ยวอยู่ในโลกทิพย์ได้เป็นเวลายาวนานนี่คือเมนูรายการที่สองถ้าอยากจะได้เทวซัพ์ก็ต้องรักษาศีลหเหมือนกับที่เรารักษาการเป็นมนุษย์ไว้แล้วเราก็ทำบุญให้มากๆเอาเงินที่เราจะไปใช้กับการซื้อความสุขต่างๆในโลกนี้ เอามาซื้อความสุขของโลกทิพย์ดีกว่าไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ดีกว่าดีกว่ามาเสพรูปเสียงกลิ่นลดในโลกนี้ซึ่งมันอาจจะมีคะเข้าไปกับเรื่องราวปัญหาต่างๆได้อยู่บ้านปลอดภัยกว่าดีกว่าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่อาจจะต้องไปเสี่ยงภัยกับอุบัติภัยต่างๆเอาเงินไปทำบุญดีกว่าแล้วก็อยู่บ้านกันอันนี้ก็จะได้ เทวซัพย์ได้ทรัพย์ชนิดที่สองคือเทวซัพย์ที่มีความสุขมากกว่ามนุษย์เซยซยบแล้วถ้าอยากจะได้ความสุขที่สูงกว่าเทวทรัพย์นี้ก็สามารถสั่งได้เหมือนกันการจะได้เทวซับซัพย์ที่สูงกว่าเทวซัพย์ก็คือพรหมรัพย์ซึ่งมีสองระดับด้วยกันคือรูปรูปประพรมกับอรูปประพรมเราสามารถที่จะสั่งได้ด้วยการรักษาศีลแปด จากศีลห้าเราก็มาเพิ่มด้วยการรักษาศีลแปดแล้วก็มาฝึกภาวนามาฝึกทําใจให้สงบเจริญสตินั่งสมาธิถ้าเราจเจริญสตินั่งสมาธิจนจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้จิตรวมเป็นหนึ่งเข้าสู่ฌานระดับสี่ได้เราก็จะได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เหนือกว่าความสุขของของมนุษย์เหนือกว่าความสุขของของเทวดานั่นเองคือวความสุขของพรหมเรียกว่าเป็นพรหมรัพย์ถ้าอยากจะได้พรหมรัพย์ก็ต้องใช้ศีลแปดแล้วก็ใช้การภาวนาการฝึกสติฝึกนั่งสมาธิหมัน่นเจริญสติทั้งวันเช่นวันพระนี่เป็นวันที่เรามาสามารถจะเอามา ซื้อเรือมาสั่งเอาพรหมมาซั์ได้เราไปหยุดทํางานเราไปหาที่สงบวัดวัดไหนที่มีสถานที่ปฏิบัติเงียบๆให้เราไปปฏิบัติกันเราก็ไปรักษาศีลแปลแล้วก็ไปภาวนาส ม, มถะภาวนาทําใจให้สงบเจราญสติอยู่เรื่อยๆเพื่อระ ง, งับความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ใจให้ไม่ปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อย ควบคุมความคิดให้ใจนิ่งจากความคิดถ้าใจนิ่งได้เต็มที่ใจก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาสงบขึ้นมาได้ความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมาแล้วเราก็จะได้พรหมรัพจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่เราทามากทำน้อยถ้าเราทามากก็จะได้มากจะอยู่เป็นพรหมได้นานถ้าทำแค่แป๊บเดียวก็จะอยู่ได้แค่เดี๋ยวเดียว อย่างนั้นผู้ที่ปฏิบัติพอได้มาถึงขั้นนี้แล้วมักจะอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นตอนต้นอาจจะปฏิบัติอาทิตย์ละวันวันพระต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นสามวันลดเวลาการหาทรัพย์ภายนอกหาเงินหาทองพอรู้ว่าทรัพย์ภายนอกนี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมีไว้มากเกินไปก็ไม่มีความจําเป็นอะไรทรัพย์ภายนอกมีไว้เพื่อเลี้ยงดูลาดอัตภาพร่างกายนี้เท่านั้นเอง ร่างกายยังต้องอาศัยทรัพย์ภายนอกอยู่เพราะต้องซื้อปัจจัยสี่คือซื้ออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ก, ก็มีเท่านั้นนะความจําเป็นของทรัพย์ภายนอกก็มีเพียงมีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้ให้อยู่เป็นบัคติสุดเท่านั้นเอง mm hmm. เพื่อที่จะได้เอาร่างกายนี้มาสร้างทรัพย์ภายในต่อไปดังนั้นผู้ที่ได้ศึกษาทำรู้ได้รู้จักเรื่องของทรัพย์ภายในแล้วก็จะ ลดการแสวงหาทรัพย์ภายนอกลงไปตามลําดับก่อยหามากก็จะลดลงเพราะรู้แล้วว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีมากและสมบัติเนื้อความสูงทางจากทรัพย์ภายนอกก็เป็นสมเป็นความสุขชั่วคราวชั่วประเดียวประดาสู้เอาทรัพย์ภายนอกนี้มาเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในดีกว่าก็ด้วยการทําบุญทําทานกันไปรักษาศีลไป แล้วก็ลดการทํางานให้น้อยลงเพื่อจะได้มีเวลามาสร้างทรัพย์ภายในให้มากขึ้นเพราะถ้าต้องการพรห ม, มทรัพนี้มันต้องใช้เวลามากกว่าเทวรทรัพย์เทวทรัพย์นี่เพียงแต่ทําบุญทําทานรักษาศีลห้าก็พอยังมีเวลาที่จะไปทําอะไรได้เยอะๆหาเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็หาได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มที่ไหนก็ยังไปได้อยู่แต่ถ้าต้องการทรัพย์ภายใน ระดับพรหมทรัพย์นี้ต้องต้องยุติการหาทรัพย์ภายนอกให้น้อยลงหาความสุขจากทรัพย์ภายนอกให้น้อยลงด้วยการไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆที่สงบสนัดวิเวกที่เอื้ออํานวยต่อการทําใจให้สงบนั่นเองก็ถ้าได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะมีความยินดีอยากจะสัมผัสกับความสุขแบบนี้เพิ่มมากขึ้นไป ก็รู้ว่าต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นนั่นเองก็จะลดการทำงานให้น้อยลงลดการหาทรัพย์ภายนอกให้น้อยลงเพื่อจะได้เอาเวลามาหาทรัพย์ภายในต่อไปก็ จ, จะไปอยู่แบบนักบวชเลยก็ได้แล้วก็จะมีทรัพย์ภายในตลอดเวลาแต่เป็นทรัพย์ที่ได้ในขณะที่เข้าสมาธิยังไม่ได้เป็นทรัพย์ที่ถาวรเพราะเวลาออกจากสมาธิมา ทรัพย์ภายในทรัพย์ที่ได้จากการนั่งสมาธิก็ค่อยๆจางไปความสงบที่ได้จากสมาธิพอออกมาจากสมาธิพ อ, อ, อมาสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆความการทํางานความวุ่นวายของใจก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะไปทําลายความสงบของของใจที่ได้จากสมาธิได้ถ้าต้องการให้มันสงบต่อไปก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ก็เข้าไปได้เป็นพักๆ ก, ก็ต้องออกมาใหม่อยู่ดีถ้าอยากจะให้มันซั์นี้เป็นซับที่ถาวพรมพมหมาซับนี้กลายเป็นรพระซับที่ถาวรก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นอริยซัพ์ขั้นต่อไปเปลี่ยนจากพมหมาซับไปเป็นอริยซัพ์การที่จะได้อริยซัพ์นี้ทําอย่างไรก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติขึ้นอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนานี่ ปัญญาหรือวิปัสสนานี้จะทําให้พลมซย์ที่ได้มาจากการนั่งสมาธินี้ไม่สูญหายไปไม่หมดไปเวลาที่ออกจากสมาธิมาถ้ามีปัญญาหรือมีเวิปัสสนาปัญญาหรือวิปัสสนานี้จะสามารถรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิไม่ให้โหดหายไปได้จะทําให้ ความสงบที่ได้จากสมาธินี้กลายเป็นความสงบที่ถาวรต่อไปการที่จะได้อริยทรัพย์นี้ก็ต้องใช้วิปัสสนาหรือใช้ปัญญาเพื่อมาทำลายตัวที่จะมาทำลายความสงบของพรมพทรัพย์หรือความสงบของสมาธิตัวที่จะมาทำลายนี้เราเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์มีอยู่สิบข้อด้วยกันแบ่งเป็น การปฏิบัติเป็นสี่ขั้นด้วยกันขั้นแรกอริยทรัพย์ขั้นแรกก็คือการทำลายสังโยชน์สามข้อแรกคือสกายาทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายจิตใจนี้เป็ น, ปนตัวเราของเราความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมและการไม่ความเครือบแคงในศีลธรรมความไม่มั่นใจว่าศีลธรรมนี้รักษาไปแล้วมีประโยชน์อะไรหรือไม่อย่างไร อันนี้ถ้ามีปัญญามีวิปัสสนามีไตลักษ์มีเห็นอริยสัจสี่เห็นไตลักษ์ก็จะสามารถทำลายสามข้อแรกนี้ได้แล้วพอได้สามข้อแรกก็จะได้อริยสัพท์ขั้นที่1ได้ความได้ความสงบที่ไม่สูญหายไปในระดับที่1ถ้าต้องการระดับที่สองก็ต้องปฏิบัติตัดสังโยน์อีกสองข้อให้เบาบางลง คือสังโยก์ที่เรียกว่าการมาลาคะกับปฏิคะคือความมีการอารมณ์มีความอยากเสพการกับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้และความหงุดหงิดใจอันนี้ทาลายมันได้ด้วยการเจริญอ ส, สุภะพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายถ้าเห็นความร่างกายว่าเป็นร่างไม่สวยงามถ้าเห็นเป็นซากศพนี้หรือเห็นอวัยวะภายในของร่างกาย ความที่คิดว่าร่างกายนี้สวยงามก็จะหายไปการอารมณ์ก็จะสงบตัวลงการอารมณ์สงบตัวความหงุดหงิดก็จะสงบตามไปถ้าทาถ้าลดได้ทาให้เบาบางลงได้ก็ถือว่าได้ขั้นที่สองของอริยรัพย์คือขั้นสกิดาคามีแล้วถ้ามันจเจรณาสุภาษเรื่อยๆจนสามารถทำให้การอารมณ์นี้ดับไปหมดเลย ทำให้ปฏิฆคาควางหงุดหงิดใจหายไปหมดเลยก็จะได้อริยทรัพย์ขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีนี่ก็ละสังโยชได้ห้าข้อแล้วยังเหลืออีกห้าข้อที่ต้องละต่อไปอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระอนาคามีที่จะต้องทำต่อไปก็ไปละรูปปารู ป, รป อ, อะไรไความยิน ด, ดีในรูปประฌาน รูปราคะความยินดีในอรูปฌานเรียกวาอารูปราคะความความถือตัวมานะความคิดฟุ้งซ่านอุทธัจจะและอวิชชาความไม่เห็นอริยสัจที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในจิตอันนี้ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตายรักด้วยอริยสัจสี่ก็จะเห็น แล้วก็สามารถที่จะละสังโยชน์ที่เหลือห้าข้อนี้ได้พอละสังโยชน์ที่เหลือทั้งหมดได้ก็จะได้ <c oughs> อริยทรัพย์ขั้นสูงสุดคืออรหัตทรัพย์คือได้ได้เป็นพาาาระอรหันต์พอได้เป็นพระอรหันต์ก็จะได้เข้าถึงนิพพานรร ท, ทันทีเข้าสู่นิพพานนะครั์คือความสงบที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่เกิดจัก ความสงบที่ถาวรความสุขก็จะเป็นปรละาลมังสุขขังขึ้นมานิบานังปรลมังสุขขังเป็นบรมมัสุขขึ้นมาอันนี้เป็นทรัพย์ที่สูงสุดที่เราสามารถที่จะสั่งสั่งได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าตามลำดับนั่นเองเบื้องต้นก็นรักษาศีลห้าทำบุญทาทาน ต่อไปก็เปลี่ยนศีลห้ามาเป็นศีลแปดแล้วก็ภาวนาสมถาภาวนาจเจริญสตินั่งสมาธิพอได้ขั้นนี้แล้วก็จเจริญขั้นวิปัสสนามันพิจารณ <c oughs> าไตรลักอัอนิจจังทุกขังอนัตตามันพิจารณาอริยสัจสี่มันพิจารณ า, ากรมอสุภะเพื่อลดกัลการามณ์ต่างๆ แล้วต่อไปก็จะได้ละสังโยชน์ทั้งสิทธิ์ได้ตามลำดับเมื่อละได้แล้วก็จะได้ทรัพย์ที่สูงสุงได้ตั้งแต่ยังไม่ตายใจนี้ถึงนิพพานแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายพระพุทธเจ้านี้ถึงพระนิพพานตอนที่นั่งตัดสัลโอยู่ใต้โคนต้นต้นโพไม่ต้องรอให้ตายก่อนถึงจะไปนิพพานใจนี้ไปถึงนิพพานแล้วร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้เป็นอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานไปแล้ว แล้วพอร่างกายนี้ตายไปใจก็เป็นนิพพานอยู่เหมือนเดิม <Yeah. S 1> มีความสุขตลอดเวลาพระพุทธเจ้าหลังจากตัดทะลุแล้วนี้ใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปไม่ว่าจะเหตุการณ์ อ, อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีความทุกข์ใจของพระหลานตัสสาว ก, ก็เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของการมาหาทรัพย์ภายในในวันพระกันที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรเยาทาวาเรวะฮาปุราปาริปุเรนเตสากะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกาปะติอิชิตังปัะชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกะปา ยันโทปณะระโสยะธามณิโชติอะระโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตาาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโน ยะตาโรธัมมาวัตนติอายุวัโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรฟังเทศแล้วไม่ยังไม่เข้าใจก็เชิญถามได้ไม่ต้องเกรงใจจะอธิบายให้ฟังให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่าที่จะทำได้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความผ่านทาง y o u t u b ู Facebook เข้ามาได้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่นำามามาให้ฟังวันนี้ผู้ติดตามทั้งบ้านมีเท่าไหร่ทั้งหมดค่ะเอ่อ จากเฟซบุ๊กพระอาจารย์นะคะ475ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์232ท่าน YouTube ดร v 119ท่านวิทยุออนไลน์9ท่านคลับ h o าส e 15ท่านหน้ากุฏิ74ท่านรวม924ท่านคะ่ะมีคำถามก็เชิญนำมาได้เลย คำถามจากหน้ากุฏินะคะคุณแม่เป็นคนไม่ค่อยชอบทำบุญและชอบขัดขวางบุญลูกๆชวนพาไปทำบุญและพูดเตือนสติคุณแม่แต่คุณแม่ไม่ยอมรับอย่างเดียวปฏิเสธทุกอย่างจะทำอย่างไรให้คุณแม่ยอมรับคะคุณแม่อายุเจ็ดสปีคะ่ะก็เหมือนเทน้ำใส่หลังสุนัขอะทำไงเทน้ำใส่หลังสุนัขมันก็สะบัดทิ้งหมดก็ Gren. แสดงว่าท่านยังเข้าไม่ถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ทําอะไรไม่ได้คือไปบังคับให้ท่านฟังให้ท่านเชื่อไม่ได้ความเชื่อนี้ต้องเกิดจากศรัทธาก็มีามีหนังสือทำมามีอะไรก็วางไว้ในบ้านเผอท่านมีเวลาว่างท่านหยิบมาอา่านหรืออะไรก็อาจจะเกิดความเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปมากขึ้นก็ได้อ แต่เราเป็นลูกนี่ก็ไม่ค่อยมีความไม่อยู่ในฐานะที่จะไปสั่งไปสอนท่านได้นอกจากว่าท่านสนใจอยากอยากจะรู้ถามนี้แล้วก็บอกได้แต่มาคอยพร่มสอนนี่คงจะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนจะทกากรรมมันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไป <c oughs> คำถามจากน้ากุติค่ะเคยนั่งสมาธิได้สภาวะธรรมคือตัวแข็งเหมือนท่อนไม้หรือหินสภาวะเช่นนี้ใกล้จะได้อัปปนาสมาธิหรือไม่ครับและจะพัฒนาต่ออย่างไรครับกล้ไม่ใกลก็ไม่รู้มันไม่มีเครื่องวัดไม่มีไม้เมตรมาะมาวัดก็ทำต่อไปให้มีสติอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไป อย่าไปสนใจถ้าสนใจแล้วมันจะหยุดการภาวนาแล้วจะไปไม่ถึงเป้าหมายถ้าต้องการให้ไปถึงเป้าหมายก็ภาวนาต่อไปพุโทโธต่อไปดูลมต่อไปคำถามจาก y o u t u ด e อร์วีค่ะจากคุณเจีย๊ยบบุญทานกุศลต่างกันอย่างไรคะบุญก็คือผลที่จะกการให้ทานก็แปลว่าการให้ทำทานก็คือเป็นการให้ เมื่อให้แล้วก็จะเกิดบุญคือความสุขใจขึ้มนมากุศลก็คือความฉลาดกุศลนี่แปลว่าความฉลาดอกุศลนี้แปลว่าความโง่ความฉลาดก็คือกุศลก็คือการเห็นว่าการทำบุญนี่มีประโยชน์ต้องมีกุศลก่อนต้องมีปัญญาก่อนให้รู้มีสัมมาทิฏฐิกุศลก็คือสัมมาทิฏฐิรือว่าทำบุญและถ้าอยากจะมีความสุขใจก็ทาบุญ ท, ทาทานให้ทาน พอพอมีกุศลแล้วก็จะไปทำทานพอทำทานเสร็จก็จะเกิดบุญตามมาบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจตามมา คำถามจากคุดมณรดีเป็นคนที่ชอบฟังธรรมะมากนั่งรถทำครัวทำงานบ้านก็มักจะเปิดฟังไปด้วยก่อนนอนจะฝึกนั่งสมาธิโดยเปิดธรรมะนั่งฟังไปด้วยผ่านไปครึ่งชั่วโมงรู้สึกตัวแข็งและเจ็บที่ขาเพราะอาการนั่งนานแต่หนูไม่ยอมเปลี่ยนอิริยาบถเพราะอยากจะดูความเจ็บนั้นอยากให้ความคิดอยู่ที่ความเจ็บหนูปฏิบัติแบบนี้สมควรหรือไม่เจ้าคะขอพระอาจารย์แนะนาคะ่ะ ไม่ควรไม่ไม่ควรไปสนใจกับความเจ็บให้สนใจกับสิ่งที่เราทำอยู่ต่อไปถ้าฟังทำก็ให้อยู่กับการทงทำไปแล้วความเจ็บจะไม่มาวบควรใจเราจะทำให้เราอยู่กับความเจ็บได้แต่ถ้าเราคอยดูความเจ็บแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกทนไม่ไหวแล้วเราจะทนอยู่ก็อยู่กับความเจ็บไม่ได้งนั้นอย่าไปดูความเจ็บเวลามันเจ็บให้อยู่กับงานที่เราทำ ถ้าฟังธรรมก็อยู่กับการฟังธรรมต่อไปเหมือนกับคนที่เล่นไพ่เนี่บางทีปวดท้องฉี่ยังเล่นนั่งเล่นต่อไม่ได้เพราะใจเขาไม่ได้อยู่ที่การปวดฉี่เขาอยู่กับ ก, บการเล่นไพ่อยู่หรือการดังดูหนังดูละครกําลังเข้าได้เข้าเข้มอยู่นี่มันก็มันไม่สนใจกับเรื่องอาการเจ็บปวดของร่างกายมันก็อยู่กับมันได้ดังนั้นอย่าไปสนใจกับความเจ็บปวดให้สนใจกับ สิ่งที่เราทำอยู่ที่ทำให้ใจเราสงบได้ไม่ว่าจะเป็นการดูลมหรือพุโทโธหรือฟังเทศฟังธรรมก็ทำไปแล้วต่อไปเราจะอยู่กับความเจ็บปวดได้โดยไม่เดือดร้อนคำถามจากคุณเดมทายยูนิตเดมทายเวอร์ซัยูนิตี้การสร้างรูปเคารพรูปเหมือนให้คนเคารพ <c oughs> เพื่อ น, นึกถึงและปฏิบัติตาม <c oughs> เป็นบุญของเจ้าของรูปลักษณ์นั้นใช่หรือไม่ครับ ไม่เป็นบุญของใครเลยมันก็เป็นเป็นบุญของคนที่เกา่าเกาโลกเนี่ยการมีคําสมาคารวะก็เป็นบุญอย่างเลยคําถามจากคุณเอกเนื่องจากผมไปพบคลิปของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านกล่าวว่าอะไรที่ไม่ใช่พุทธวจนะไม่เอาท่านบอกว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่พุทธวจนะเป็นสิ่งที่สาวกรวบรวมเอาไว้ผมเลยสับสนว่ามันต่างกันอย่างไรครับ ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้แล้วพระภิกษุที่บวชก็เอามาท่องจํากันมันก็เป็นเหมือนเครื่องบันทึกเสียงอย่างเี้ใช่มันอาจจะไม่ได้เป็นเสียงพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะว่ามันเป็นเป็นเสีย ง, งที่เขาจดจํากันมาแต่มันก็สาระคําสอนก็อันเดียวกันอรยะสัจติที่พระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วคนที่ฟังมาท่องมาจํามันก็อันเดียวกันอย่างนั้นก็ยังถือว่าเป็นพุทธวจนะอยู่นะ พระไตรปิฎกนี้แหละเป็นที่รวบรวมของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอาหารหันตสาวกนี้เป็นผู้ที่มาคอยคัดกรองทั่านเองเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะเข้ามาได้เพราะว่าผู้ที่ท่องจําอาจจะจําอาจจะไม่ครบสมบูรณ์อาจจะขาดบ้างเกินบ้างแต่ผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์นี้จะรู้ว่าธรรมะแท้เป็นยังไงส่วนส่วนเกินส่วนขาดเป็นยังไง ท่าก็จะมามาคัดกรองมาสังคารนากันมามารักษาพุทธวจนะของพระเจ้าให้คงตามตามสภาพเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ฉะนั้นขอให้เราเชื่อว่าพระไตรปิฎกนี่แหละเป็นเป็นพุทธวจนะที่แท้จริงเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอาริยสัจสี่นี่ใครจะรู้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้สั่งผู้สอน มักแปดใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้สั่งผู้สอนมันเป็นเรื่องของพระไตรปิฎกนี้เป็นคำสอนของพุทธเจ้าท้งนั้นเองคำ <c oughs> ถามต่อไปเ <c oughs> มื่อบุญบาปเป็นของส่วนตัวทำไมต้องโปรดกันช่วยเหลือกันครับในเมื่อทำให้กันไม่ได้อยู่แล้วผู้สอนก็ไม่ได้อะไรผู้เรียนถ้ามไม่ทดลองทำก็ไม่ได้อะไรขอบพระคุณครับก็เหมือนกับคุณมีเรื่องดีๆคุณ้ามาฝากคนอื่นเนาะ บอกว่าที่นี่มีทองนะใครมาขุดก็จะได้ทองอย่างเงี้ยก็เพียงแต่บอกกล่าวเล่าให้ฟังกันถ้าสนใจอยากจะได้ทองก็ามาขุดกันถ้าไม่บอกก็จะหาว่าไม่มีน้ําใจห่วงออ่าก็บอกกันเพราะเราก็อยากจะให้คนอื่นเขาได้ทองบ้างศาสนาพุทธก็เป็นเหมือนทองคำํำ เราก็บอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะได้ทองคำก็มาทิ่ศาสนาพุทธมาศึกษามาทาตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ทองคากันแต่เราทำให้เขาไม่ได้เท่านั้นเองเราไม่สามารถขุดทองให้กับเขาได้ใครขุดค น, คนนั้นก็ได้ไปคนไม่ขุดก็ไม่ได้เหมือนกับการรับประทานอาหารนี่ต้องรับประทานกันเองแต่บอกที่รับประทานได้ว่าที่ไหนอร่อยใช่ ก็ถึงมีรายการแนะนำอาหารกันเนีที่นี่อาหารเด็ดอาหารอร่อยนะถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ใช่<ม>ก็จะไม่ได้ลิ้มรสอาหารที่เด็ดแบบเดียวกันการบอกนี้เป็นการแบ่งความรู้ให้กับผู้ที่ไม่รู้เพื่อเขาจะได้รับประโยชน์ถ้าเขาต้องการเขาก็ต้องไปเป็นผู้ที่จะต้องไปไปหาสิ่งนั้นเองเพียงแต่ว่าทำให้เขาหาได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องคำทางไปไม่ต้องลองผิดลองถูกคำถามต่อไปจากคุณวายุปากคนที่ไปเข้าข้างพวกที่บ่อนทำลายชาติาศาสนาและสถาบันจะมีผลกรรมเช่นไรครับอ่านี่เป็นเรื่องการเมืองไม่อยากจะ ย, ยุ่งด้วยการพูดไปแล้วเดี๋ยวก็ตีกันโกรธเกียดกั น, นก็พูดง่ายๆก็คือ อย่าแตกสามัคคีกันถ้าผู้ตามหลักธรรมก็พูดได้ว่าเราต้องรักต้องสามัคคีกันเราต้องเคารพกฎระเบียบสังคมเราอยู่กันได้ด้วยความสงบผาสุขเพราะมีกฎมีระเบียบกันถ้าเราไม่มีกฎระเบียบไม่มีกฎหมายก็จะเป็นสังคมของสัตว์ในราชาใครมีกำลังมากกว่าก็จะเป็นผู้ที่คุมอำนาจเป็นผู้ที่จะไปคอยทาร้ายหรือทาลายผู้อื่นได้ เราจึงมีกฎหมายเพื่อให้ทุกคนอยู่กันแบบเสมอภาคกันไม่ใช้อำนาจที่ตนเองมีอยู่ไปในการเบียดเบียนเป็นการไปทำลายผู้อื่นองนั้นสังคมเราควรจะพูดถึงเรื่องของความมีความเคารพในกฎหมายมีความเคารพสามัคคีรักสามัคคีเหมือ น, นที่ในหลวงรอเก้าท่านพูดอยู่เรื่อยๆให้รู้รักสามัคคีกันอันนี้เป็นที่มาของความสงบสุข ของของประเทศชาติถ้าเราต้องการจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความ ส, สุขสงบเราต้องเข้ารกกฎหมายแล้วเราก็ต้องมีความรักสา ม, มัคคีกันไม่คิดทำร้ายกันต้องมีความเมตตาต่อกันเป็นมิตรกัน <c oughs> พูดได้แค่นี้เรื่องการเมืองทางศาสนาถ้าจะไปพูดแนวอื่นเดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นฝ่ายอะไรไปผูนะ้ตามหลักความจริงดีกว่า ความจริงก็คือเราต้องมีกฎมีระเบียบบ้านเมืองต้องมีกฎมีระเบียบไม่อยงั้นก็กลายเป็นสังคมของสัตว์เวลาช้านไปคำถามต่อไปค่ะถ้าเรารู้สึกตัวว่าเราใกล้จะตายแล้วเรากำหนดรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆหรือกำหนดรูปภาพพระพุทธรูปโดยที่ไม่มีความกังวลหรือห่วงอะไรทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถ้าเราจะทาอย่างนั้นไเราต้องทาตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่ตาย ถ้าไปเราทําตอนตายทําไม่ได้หรอกเหมือนนักมวยถ้าไม่ซ้อมโชคก่อนเวลาจะโชคแล้วค่อยไปซ้อมบนเวทีก็ถูกเขาน็อกเั้านั้นเองดังัน้นถ้าจะไปทําตอนใกล้ตายนี้ทําไม่ได้ต้องทําตั้งแต่วันนี้ต้องฝึกสมาธิฝึกสติควบคุมอารมณ์ให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ได้ คำถามต่อไปค่ะมีอาการใจสั่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกลมหายใจแผ่วลงแผ่วลงแต่ไม่รู้สึกกังวลไม่กลัวตายภาพตอนหลับตามื่อสนิทหูอื้อลืมตาไม่ขึ้นแต่ปรากฏมีภาพที่เคยทำบุญกับพระอาจารย์สว่างขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกตัวเริ่มเย็นจากปลายเท้าขึ้นมาทั่วตัวกลับหายใจโล่งสะดวกขึ้นโยมไม่ทิ้งลมหายใจเลยค่ะถ้าเราใกล้จะตายในลักษณะนี้การดูลมและรู้สึกตัวทั่วพร้อมโยมทำถูกไหมคะ ก็ต้องไปดูตอนใกล้ตายเนี่ยเป็นยังไงบอกตอนนี้ไม่ได้หรอกก็ต้องทำไปเรื่อยๆเพื่อความไม่ประมาททำไปเรื่อยๆทำให้ใจสงบอยู่เรื่อยๆถ้าสามารถควบคุมใจให้สงบได้ตลอดเวลาก็เวลาจะเกิดอะไรขึ้นก็จะสงบก็ก็ก็ก็สบายพูดง่ายๆต้องทต้องทำายิ่งทำมากเราก็ยิ่งมีความมั่นใจมากถ้าอยากจะทดสอบก็ไปลองไปหาที่ที่มันหวาดเสียวน่ากลัวดู เช่นไปอยู่ในป่าช้าไปอยู่ในป่าที่มีเสียงสารสัตว์อยู่ตามลำพังแล้วดูสิว่าเรายังสามารถควบคุมใจเราให้สงบนิ่งได้หรือเปล่าคำถามต่อไปจากคุณจิรารัตน์การทำสังกทานอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล น, น่าจะมีผลให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือหายป่วยเนื่องจากเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมเป็นไปได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกเงี้นเขาไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมีหมอเนี่ยเวลาใครป่วยก็ไปทําบุญอโหสิกรรมกันทนะั้นมันมการโหสิกรรมนี่ส่วนใหญ่เจ้ากรรมในเวรนี่เขาไม่มาทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรอกเจ้ากรรมส่วนใหญ่เจ้ากรรมในเวรก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคนที่มามีเรื่องกับเราเนี่ยนะคนะคือคนพวกเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายไม่ใช่ดวงวิญญาณต่างๆ ดวงวิญญาณนี้เขาไม่สามารถที่จะมาทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือหายป่วยได้เราะฉะนั้นการทำบุญนี้ทำเพื่อให้ให้สะสมบุญเพราะใกล้ตายแล้วเผื่อบุญมันน้อยกว่าบาปจะได้เพิ่มบุญให้มันมากกว่าบาปเวลาตายไปมันจะได้ไม่ไปอาบายเท่านั้นะความหมายมากกว่า <c oughs> คำถามคำถามจะคุณอังลิชค่ะ หลักธรรมสติปัฏฐานสี่อยู่ในมรรคแดหรือเปล่าครับและสติปัฏฐานสี่กับมรรคแเหมือนกันหรือไม่ครับสัมมาสติก็อยู่ในมรรคแปดสติปัฏฐานก็จะวิธีเจริญ ส, สติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาก็เป็นมรรคแปดสติปัฏฐานก็เป็นส่วนย่อมมรรคแปดคำถามต่อไปค่ะถ้าเราอยู่ฝ่ายขายในบริษัทกําจัดปลวกแต่ไม่ได้เป็นคนพ่นยาเองเราจะบาปไหมครับ ก็เป็นอาชีพที่มันก็ไม่ควรที่จะกระทำถ้าเลีกยเลี่ยงอาชีพที่ไปทำให้ค่ากันได้ก็อย่าไปทำเป็นมิจฉาอาชีพไม่ใช่เป็นสัมาอาชีพแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเองเราไม่เราไม่บาปกำลังหาคำถามสักพุ่นะคะอาจารย์ในข้อความที่เป็นคาถามนี่มันมันมากับคำสาทูสาทูเป็นร้อยนี่เราเราจะแยกออกอยังไง ต้องเปิดดูเรื่อยๆค่ะต้องเปิดดูเรื่อยๆไม่มีวิธียากแต่ว่าเพราะมันคนส่งข้อความมันต้องหลายร้อยคนหรือค่ะจะมีบอกว่าข้อความที่สําคัญที่ยาวืแยกออกไว้กับข้อความที่สั้นได้ปั๊บคาถามต่อไปจากคุณจรัญยาค่ะถ้าโยมพิจารณาเสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ร่างกายทําต่อไปเรื่อยๆได้ไหมคะได้แต่ก็ยังไม่รู้ว่า ทำตามที่เราว่าได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็ต้องเช่นเวลาเป็นโลกมะเร็งขึ้นมาแล้วหมอบอกว่าอาจจะตายนะอาจจะรักษาไม่หายตอนนั้นถ้าเรามองแล้วเราว่ามันไม่ใช่เป็นเราเราก็ต้องไม่เดือดร้อนเราก็ต้องเฉยเฉยเป็นก็เป็นตายก็ตายถ้าอย่างนี้ก็ถูกถ้ายังตื่นเต้นตกใจหวาดเสียวอยู่ยนี่ก็แสดงว่ายังถือว่าเป็นเราอยู่เป็นของเราอยู่ไม่ต้องมีมีอะไรมาทดสอบจิตใจ เพียงแต่คิดตอนที่เราสบายๆตอนที่ร่างกายสบายนี่มันจะไม่รู้หรอกถ้าอยากจะรู้ก็ลองอดข้าวดูสิร่างกายไม่ใช่เรามันจะอดก็เรื่องของมันเราไม่ได้อดกับมันดูซี่ว่าเราเดือดร้อนหรืเปล่าเวลาที่เราอดข้าวกันอันนี้ก็เป็นวิธีทดสอบง่ายๆก่อนทําอะ <c oughs> ไรกับร่างกายแล้วดูสิว่าใจของเรานี้เฉยเฉยไม่เดือดร้อนได้เปล่าเหมือนก็เป็นร่างกายของคนอื่นไปเห็นขอทามไม่ได้กินข้าวเราไม่เดือดร้อนกับเขาใช่ไหม ้าเราลองเป็นขอทานไม่กินข้าวแบบขอทานดูบ้างดูที่ว่าเราจะเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเราว่ามถ้าเราคิดว่าไม่เป็นเราเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนคำถามจากคุณนรลักษ์ค่ะโยมีบุตรชายสามคนมีครอบครัวสองคนแต่ยังไม่มีหลานลูกชายบอกว่าไม่อยากมีลูกโยมบอกว่าดีแล้วโยมจะบาปไหมคะที่ไม่ให้เด็กที่จะมาเกิดมีโอกาสมาเกิดโยมรู้สึกว่าการเกิดเป็นทุกข์มากเจ้าค่ะ ก็โยนให้ความเห็นถูกการเกิดเป็นทุกข์ไม่บาปการให้ความเห็นนี้คำถามต่อไปค่ะการใช้ปัญญาอบรมสมาธิเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงมีสิ่งมากระทบมีเวทนาเกิดและดับพิจารณาใจลักษณ์วางเฉยมีใจเป็น ก, ากลางๆงไม่หวั่นไหวอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้อง <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณนิรันด์ค่ะบริกรรมผมขนเล็บฟันหนังได้ไหมครับได้ <c oughs> คำถามจากคุณปุ้ยพีค่ะถ้าจิตของเราแวบขึ้นมาหายในหัวแบบว่าคิดอากุศลเล่นๆแต่ไม่ได้ทำจริงๆ จ, จะเกิดบาปไหมครับถ้ายังไม่พูดไม่ทำยังไม่เป็นบาปแต่เป็นอากุศลก็เป็นความคิดที่ไม่ดีถ้าเราไม่ควบคุมไม่หยุดมันมันก็จะนำไปสู่การทำบาปต่อไปแล้วจะต้องฝึกด้านไหนเป็นพิเศษเพื่อควบคุมไม่ให้จิตแวบไปคิดครับใช้สติไงใช้คําบริการพุทโธ ผมกนเล็บฟันก็ได้แล้วแต่คือเบงเบนความคิดอย่าให้มันคิดเรื่องนั้นซ้ำๆยิ่งคิดเดี๋ยวมันก็ยิ่งอยากจะทำพอเราไปคิดพุทโธพุทโธหรืออนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะลืมเรื่องอกุศลไปได้ <c oughs> คำถามต่อไปคะ่ะการซื้อลอตเตอรี่ถือเป็นบาปไหมเจ้าคะ่ะก็ซื้อแบบลงทุนแล้ซื้อแบบพนันเนี่ยแล้วซื้อแบบพนันก็เป็นอบัยมุขซื้อทีหลายร้อยใบนี้ หวังกำไรหวังจะได้เยอะๆแต่ซื้อแบบลงทุนก็ซื้อแค่ใบเดียวลงทุนน้อยบาทแล้วได้หกได้สามล้านอย่างนี้ก็หกล้านนี่ก็ถือว่าเป็นแบบลงทุนงั้นถ้าซื้อแบบลงทุนก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ถือว่าเป็นอาบายอยู่มุกแต่ถ้าซื้อแบบว่างวดนี้ต้องซื้อสักร้อยใบพันใบยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเลการพนันะ ไปค่ะที่นั่งสมาธิกับทำกับปักบาศสร้างวัดอันไหนได้บุญมากกว่ากันครับมันเป็นบุญคนละอย่างกันที่จำเป็นจะต้องทําทุกุกชนิดไม่ใช่แต่จะเลือกเอาเหมืนกินข้าวอาหารมันก็มีหลากหลายข้าวก็มีกับก็มีข้าวนี้กับกับนี้อันไหนน่ากินกว่ากันกินกับอย่างเดียวมันก็ไม่มันก็ไม่อร่อยก็ต้องมีข้าวกินข้าวเปล่าๆอย่างเดียวมันก็ไม่อร่อย มันก็ต้องมีทั้งข้าวทั้งกลับมีทั้งของหวานของข้าวบูญกันไปการทําบุญก็เหมือนกันมีมีบูญหลายชนิดด้วยกันทําท า, ก น, น, กานก็ชนิดหนึ่งรักษาศีลก็ชนิดหนึ่งก็อย่างที่เทศให้ฟังวันนี้นะมันก็เป็นการเปลี่ยนทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในใจคําถามต่อไปคะ่ะถ้าเป็นโรคซึมเศร้านั่งสมาธิได้ไหมคะถ้าซึมเศร้ามันก็ยากหรอเพราะอาการซึมเศร้ากเกิดจากการขาดสติ ใจชอบคิดมากคิดจะกระทั่งซึมเศร้ า, างั้นก็ย า, ยากแต่ก็ไม่สุดก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สุดวิสัยที่จะทําต่อาจจะอาจจะยากคือต้องฝึกสตินั่นเองต้องหาดขยำท่องสวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสไปร้อยจบอย่างเงี้ยถ้าทํานี้ได้โอกาสที่จะแก้กความซึมเศร้าก็ได้ก็จะนั่งสมาธิต่อได้แต่ถ้าสวดไม่ได้เลยสวดได้คำสองคาแล้วก็หยุดอี้แล้วกลับไปคิดเรื่องซึมเศร้าต่อ คำ ถ, ถามต่อไปค่ะถ้าทําสมาธิไปเรื่อยๆจนได้ฌานแปดแต่ว่ายังไม่ทําวิปัสนาหรือทําวิปัสนาแล้วยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเราตายก่อนอยากทราบว่าเราจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้ไหมเจ้าคะเพื่อทําวิปัสนาต่อจนบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเราต้องไปเกิดในสวนรรค์และพรหมตามที่เราได้ฌานนั้นเจ้าคะก็ไปเกิดเป็นพรหมก่อนนะพอ พอบุญที่ส่งเราไปเกิดบุญสวรรค์ชั้นพรมมันหมดมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทําปฏิบัติสมาธิกันหมายต่อไปคําถามจากคุณอิงเลชค่ะหลักธรรมใดคือหัวเรือใหญ่ที่สําคัญในการปฏิบัติสติปัฏฐานสก็สติพระพุทธเจ้าบอกสตินี่เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่กว่าธรรมทั้งปวง เพราะถ้าขาดสติแล้วทำอย่างอื่นเกิดขึ้นไม่ได้ท่ส ง, สงเปรียบเทียบ ว, ว่าสตินี้เป็นเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งปวงรอยเท้าช้างนี่ครอบรอยเท้าของสัตว์ต่างๆได้หมดถึงแม้ว่าช้างอาจจะไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ร้ายกาจเก่งกาจที่สุดแต่ก็ใหญ่ที่สุดธรรมะก็เหมือนกันสติไม่ใช่เป็นธรรมที่ใหญ่ที่สุดธรรมที่ใหญ่ที่สุดคือปรรัญญา แต่ปัญญาจะเกิดได้ไม่ได้ก็ต้องมีสติก่อนต้องสร้างสติก่อนเหมือนลูกอาจจะเก่งขนาดไหนก็ต้องมีพ่อแม่ก่อนถ้าไม่มีพ่อแม่ก็เกิดมาไม่ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเคารพพ่อเคารพแม่ถือว่าพ่อแม่นี่ใหญ่กว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีพระคุณเป็นผู้ให้กาเนิดสตินี่เป็นผู้ให้กำเนิดทมทั้งปวงถ้ามีสติแล้วสมาธิก็ตามมา สิ้ก็ตามมาสติสมาธิก็ตามมาปัญญาก็ตามมาวิมุติการหลุดพ้นก็ตามมามรรคผลนิพพานก็ตามามาและหลักธรรมใดสนับสนุนในการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ครับก็ความเพียรไงความเพียรความขยันเหมือนเพียรหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้ามีถ้าไม่มีความเพียรก็ไม่เจริญสติเมื่อไม่เจริญสติก็จะไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาไม่ได้วิมุติ เนั้นความเพียร น, นี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติต้องเป็นผู้ผลักดันให้เกิดสติเป็นรายเที่ยงถามต่อไปค่ะจิตเกิดใหม่เปลี่ยนเพศได้ไหมเจ้าคะเพศในจิต่แม้่าจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนยากเราเคยชอบผู้หญิงก็จะชอบผู้หญิงไปเรื่อยๆเราชอบผู้ชายเราก็จะชอบผู้ชายไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราได้ร่างกายของผู้หญิงถ้าเรายังชอบผู้หญิงอยู่เราก็ยังจะเป็นเราก็ยังชอบผู้หญิงต่อไป ถ้าเราชอบผู้ชายแล้วเราไปได้ร่างกายผู้ชายเราก็ยังชอบผู้ชายต่อไปบางทีมันได้ร่างกายผิดกับขับใจใจเป็นหญิงแต่ไปได้ร่างกายที่เป็นชายมันก็ทําให้เกิดการสับสนขึ้นมาแ ต, แต่เปลี่ยนได้จะเปลี่ยนจากใจอยากจะให้เป็นผู้ชายก็ต้องต้องฝุกใหม่ต้องเกลียดผู้หญิงแล้วหัดไปรักผู้ชาย ต่อไปมันก็จะเกลียดมันก็อยากจะรักผู้ชายมันจะชอบผู้ชายมันก็ไม่ชอบผู้หญิงเปลี่ยนได้เหมือนกันเราชอบสีเขียวแล้วเกลียดสีแดงนี้เราก็เปลี่ยนได้ต่อไปเจอสีสีแดงก็เจอสีเขียวก็เกลียดมันเจอสีสีแดงก็หัดชอบมันเลยต่อไปมันก็ไปชอบสีแดงแทนเปลี่ยนได้เปลี่ยนใจได้ไงแต่ต้องใช้เวลาต้องบังคับยากซึ่งอย่าไปเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้ไม่สําคัญ เปลี่ยนเรื่องกิเลสเนี่ยชอบโกรธก็อย่าไปโกรธดีกว่าชอบหลงก็อย่าไปหลงดีกว่าชอบโลภ ก, ก็อย่าไปโลภดีกว่าเรามาเปลี่ยนแค่นี้ก็พอเรื่องเรื่องอย่างอื่นไม่สำคัญเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของโลกเป็นปกติมันไม่ผิดไม่เป็นบุญเป็นบาปชอบสีเขียวสีแดงชอบหญิงชอบชายเนี่ยมันไม่เป็นบาปเป็นบุญแต่อย่างใดแต่ถ้าไปชอบกิเลสเนี่ยเป็นบาปมันจะทำให้เราทุกข์ถ้าเราชอบทำ ม, มากกัน ชอบรักษาศีลชอบทําบุญทําทานชอบรักชอบปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นบุญเป็นเป็นกุศลเป็นเป็นการทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้คําถามต่อไปค่ะข้อหนึ่งผลสมาบัติคือการปฏิบัติอย่างไรคะสมาบัติก็คือการทําจิตให้สงบเต็มร้อยเปอร์ซนต ข้อสองค่ะการไปนิพพานตอนเราตายต้องออกฌานก่อนใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันนัองอะไยังไม่ไปยังไม่ตายยัมไม่รู้จะตอบเนงไงคำถามต่อไปจากคุณจิรารัตน์ค่ะในทางธรรมอะไรเป็นสาเหตุให้หลงลืมเป็นอัลไซเมอร์ผู้ป่วยโรคนี้สามารถฝึกสติได้ไหมคะการเป็นอัลไซเมอร์ก็เพราะขาดสตินั่นเอง้ามีสติก็จะไม่เป็นอัลไซเมอร์จะไม่หลงไม่ลืมั้น พยายามฝึกสติไว้รับประกรันได้แก่ไปขนาดไหนก็จะไม่หลงไม่หลงตอนนี้กําลังหาคำถามหมดเจ้าเลยตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเพิ่มค่ะมีใครในนี้อยากจะถามก็เข้ามาถามได้นะถ้างสงสัยอยากจะรู้อะไรพอเดี๋ยวถ้าไม่มีคําถามก็ จ, จะต้องยุติการสนทนาธรรมกันไว้มีไหม